เอาทั้งที่พวกเราทราบมาแล้วนะว่าตา ม, มาได้รับนิมติจากทางท่านทูตนะมาเพื่อได้เพียงแต่ ชักชวนพวกเรานะให้เกิดจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะก็ยากอยากจะมาให้กำลังใจพวกเราเพราะว่าพวกเราก็จากนะบ้านเกิดเมือง น, นอนมา ท, ทั้งที่เราก็เลือกที่จะมาที่นี่นะแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่รนะวมทั้งสภาพที่ อ่างาบ้านนะก็อาจจะทําให้เรามีความทุกข์ใจในบางครั้งการนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราไดนะ้มีผลทางในการทําให้จิตใจเรามีความสุขได้นะมันก็จะช่วยเป็นกําลังให้พวกเราในการที่จะอยู่ที่นี่ทํางานที่นี่ได้อย่างมีความสุข พูดถึงความสุขแล้วเนี่ยคนเราสุกกายไม่พอนะต้องสุกใจด้วยนะสุกกายนี่ก็อาศัยปัจจัย4เป็นสําคัญนะเช่นข้าปลาอาหารนะเครื่องผมที่พักอาศัยยารักษาโรคแล้วก็สมัยนี้ก็ต้องรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสุดสบายแล้วก็เป็นรวมถึงความบันเทิงเริงรมด้วยอันนี้ก็เป็นความ สุขกายนะแต่ว่าเท่านั้นไม่ไมพอนะเราต้องมีความสุขใจด้วยเพราะคนเรานี่มีกายกับใจและกายนี่ก็ไม่สำคัญถ้าเขาใจเราคงด้คาว่าคับที่อได้ขับใจอยู่ยากนะขับที่อยู่ได้นับใจอยู่ยากหมายคนะาะว่าแม้กายจะทุกนะแต่ว่าถ้าใจเป็นสุขหรือเป็นปกติเนี่ย มันยอมดีกว่านะว่าดีกว่ากายที่สบายนะแต่ว่าใจเป็นทุกกายสบายนะแต่ว่าใจทุกนีนี่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะแ้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะก็มีกายที่สบายนะแต่ว่าใจเป็นทุกมาก อาตอมาเมื่อที่ที่แล้วเขาไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โยมก็พาไปที่เมืองหลวงของเขานะเมืองเบิร์นไปดูพิพิธภัณฑ์ดูเสร็จก็ข้ามสะพานเข้ามาตัวเมืองสะพานก็เป็นสะานกว้างเป็นสะพานเก่าแก่สวยแต่ก็สังเกตแล้วว่าราวสะพานเนี่ยที่จริงก็ไม่ไม่สูงนะประมาณสักสองสองฟุต หรือว่าหนึ่งเมตรได้กำลังพอดีพอดีแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีตะข่ายเนี่ยติดสูงเลยนะประมาณสักอาจจะถึงห้าเมตรได้ยาวตลอดกำแพงเลยเายาวตลอดสะพานเลยซึ่งมันไม่สวยเลยสะพานเก่านะคลาสสิกแต่ว่ามีรัว้วมีรวดน้ำไอ้ร ตะขายเนี่ยตะขายเล็กเนี่ยนะยาวตลอดเลยก็ถามเขาว่ามีไปทำไมอยอมคนไทยก็บอกว่าป้องกันคนกระโดดลงมาค่าตัวตายแล้วคนไดี่ดตกลงมาค่าตัวตายเยอะเลย อ, อันนี้ก็น่าคิดนะคือคนสวิสเนี่ยพูดถึง ชีวิตความเป็นอยู่ความสะดสบายเนี่ยนะมันก็มากมายกว่าที่เมืองไทยเยอะแล้วชีวยเขาเนี่ยก็มีสวัสดิการนะตกงานนี่ก็ไม่อดตายนะเพราะว่ามีเงินสวัสดิการเลี้ยงป่วยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเงินรักษาเพราะว่ารัฐบาลจ่ายฟรีนะแล้วก็ ช่วความอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เรียกว่าสบายบ้านเมืองก็สงบแล้วก็สวยเลยนะไปที่ไหนในช่วงนี้เนะี่ยเขียวขจีเลยนะมองไปนอกเมืองเนี่ยไม่ว่ามุมไหนนี่ก็สวนภาพในโปสการภาพโปสกตอรภาพในสที่เราเห็นเนี่ยนะมันมีภูเขานะมีบ้านเรือนอยู่เล็กๆมีทุ่งนามีไร่มีวัวเนี่ยสวยแต่ว่าไปแล้วเนี่ย ก็ต่ออยูที่นี่ที่นี่นี่หลายหลายมุมนะมองไปที่ไหนเนี่ยบางแหงวางคั้งก็เจอแต่ภูเขาที่หนโรยแล้วก็เหลืองกรอบนะคนสวิตน่าจะมีความสุขแต่เขาสุขแค่กายนะแต่ว่าใจเขาไม่สุขด้วยแล้วพอใจไม่สุขแล้วนะเขาก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะเขาก็เลยโดดลงมาจากสะพานแล้วก็คงไม่ใช่มีที่เดียวแต่มีหลายที่ อันนี้มันชี่ให้เห็นนะว่าคนเราสุกกายเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับสุกใจสุกกายแต่ว่าใจไม่สุกเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยในทางตรงข้ามแม้ว่าทุกกายเนี่ยแต่ว่าใจเป็นสุกเนี่ยมันทำได้ทุกกายเกิดจากอะไรนะก็อาจจะเกิดจากความผิวเกิดจากความเจความป่วยอาจจะเกิดจากความยากลงบากในเรื่องของปัจจัยสี่นะหรือว่าอาจจะเกิดจากการอยู่ในภูมิประเทศที่ ร้อนหนาวเหน็บ <Yeah. S 1> พวกเราหลายคนเนี่ยนะ <c oughs> หลายคนก็ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยมาอยู่ที่ซลเรลนี่ก็มันก็ลำบากนะแต่เวลาเขาพูดถึงความลำบากเนี่ยเขาหมายถึงความลำบากทางกาย <c oughs> นะงานอาจจะหนักแดดจะร้อนแล้วก็ที่พักอาจจะคับแคบแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ใจเสมอไป ความทุกข์ใจบางทีมันก็เลือกไม่ได้นะเชนอากาศเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรือว่าเรามาในถิ่นที่นะมันกันดารเนี่ยก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าความทุกข์ใจเนี่ยนะเราสามารถจัดการได้คนเรานี่เลือกได้นะว่าจะสุขใจหรือว่าทุกข์ใจมันอยู่ที่การเลือกของเรา เช่นถ้าเราปวดตโพตีพายโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะอย่างเงี้ยใจทุกข์เลยแย่เลยคนที่คนคนเวลาป่วยนะแล้วก็บอกว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะสุดเลยนะบางทีไม่เป็นอะไรมากนะแต่ปอกใจไม่ไหวใจไม่สู้นะสุดเลยมีหมอคนหนึ่งนะคุณหมอพระเวสสีก็เล่ให้ฟังคือหมอวิเศษพรเวสที่ท่านอยู่สิริรานนะ ตอนนี้ก็เสียไปนานแล้วมีวันนึงคนไข้ในมหาเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุอาจจะมากกว่าเรานิดหน่อยป่วยนอนเปลมาเลยนะไม่มีแรงตัวซีดตัวซีดไม่มีแรงนะมาให้คุณหมอตรวจคุณหมอก็ตรวจนะครที่คนไข้นอนเปลเนี่ยดูอาการแล้วก็ซักถามเสร็จ แ, แล้วก็หาไปคุยกับหมอหมอหนุ่มที่หมัสุดงาน บอกว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากหรอกที่ตัวซีก็เพราะว่าขาดธาตุเหล็กเพราะว่ามีพิษยายปากคอมีพิษยปากคอทำให้ขาดธาตุเหล็กมันก็เลยตัวซีกเดี๋ยวให้กินให้กินเหล็กก็จะหายวันหาคืนนะพูดจบก็หันไปที่คนไข้เขาก็คนไข้นี่ลุกขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็บอกว่าคุณหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอเปย์นี่แล้วล่ะ เขยนเปลไปเลยเมื่อกี้ยังไม่มีแรงอยู่เลยแต่ทําไมเรีอกแรงกลับมานะที่จริงน่นาจะถามใหม่ว่าทําไมเป็นแค่พยาบาลขอถึงไม่มีแรงเพราะคนไข้เนี่ยแกไม่คิดว่าแกเป็นพยาบากขอแกจะเชื่อเป็นมะเร็งนะหรือเชื่อเป็นไตาวายนะไอ้พวกนี้มันลรครายขนาดนั้นพอคิดไปนี่หัวใจเสียเลยใจเสียใจไม่สู้เลยพอใจไม่สู้ร่าง ก, กายมันก็ไม่สู้ ไม่มีแรงออกดื้อเลยนะแต่พอได้ยินคุณหมอพูดว่ามันไม่เป็นอะไรแค่พยาบากขอกินเหล็กแล้วก็หายเนี่ยนะเรียกแรงกลับมาเลยอันนี้ที่เขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบาสถ้าใจเอกไม่สู้ไม่สู้ไม่ไหวไม่ไวนะกายมันก็สุดเลยนะเหมือนกับเราทํางานถ้าเราไม่ไม่ไหวไม่ไหวนี่นะกายก็ไม่ไหวนะแต่ถ้าเราใจสู้สิ่งนะใจสู้สู้ได้สบายมาก การก็ไหวขึ้มาทันทีและคาว่าสู้ได้คนเราเลือกได้นระหว่างที่จะบวนท้องแท้ว่าไม่ไหวไม่ไหวกับคนกับการที่จะบอกว่าสู้ได้ทำได้สบายมากมันอยู่ที่ใจเรามันเลือกได้บางครั้งงานเราเลือกไม่ได้นะเขาให้งานเรามาเนี่ยโอ้หนักหรือว่าต้องพาบางครั้งการที่เราต้องมาอยู่ในในอากาศที่มันร้อนเนี่ย อันนี้บาทีมันก็เลือกไม่ได้นะแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะสู้หรือว่าเราจะท้อเราเลือกไดนะ้มันอยู่ที่การเลือกของเราและการเลือกของเราเนี่ยถ้าเราเลือกผิดนะมันก็ทาให้ใจเราแย่แล้วร่างกายเร า, า, ก, ารก็ซุดแต่ถ้าเราเลือกว่าได้เสร็จนะใจเราก็เกิดการฮึดขึ้นมานะแล้วก็มีเรื่องมีแรงนะคนบางคนเนี่ย ยิงแค่เป็นสิวเนี่ยนะผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยโอยกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คนบางคนทำไมเป็นมะเร็งนะเข้ากับยิ้มแย้งนะเขาคุยได้เป็นปกติโอภาปาศัยนะคนหนึ่งเนี่ยอพอพอพอพอ่พอตัวเองเป็นสิวไม่กินเม็ดเนี่ยกนะ็ตีโพตตีพาย นะโอดโอยแต่คนบางคนเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขากลับบอกว่าเออโชคดีนะพรตธรรมคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยนะผู้ป่วยหนักที่พักใต้เนี่ยนะหัดใหญ่ให้จจดอาสานี่ไปเยี่ยมคนไข้นะคนละคนคนละคนเจสาวนี่นไปเจอเด็กอายุสิบห้าสิบสี่ผู้หญิงนะผมเธอร่วงหมดเลยนะ เพราะว่าเป็นมะเร็งก็ผ่านการฉายแสงการฉีดคีมโมมะเร็งอะไรมะเร็งสมองมะเร็งสมองเนี่ยมันแรงมากรักษา ย, ยากแต่เด็กคนนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสชวนจินอาสาพูดคุยชวนเธอมาวาดรูปด้วยนะเป็นมะเร็งนะแต่มีอารมณ์วาดรูปจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปคุยมาเด็กบอกว่า หนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียาติคนหนเป็นมะเร็งมดลูกนี่ปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองมะเร็งสมองนะแต่แกมไม่ทุกพ่ออะไรเพราะแกมองว่าโชคดีอีกคนหนึ่งเป็นแค่สิวมีสิวเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหะกินไม่ได้นอยไม่ละบา ง, งคนฆ่าตัวตายนะเพราะสิวเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมีจริงนะถามว่าสิวมันทําอะไรเราไะม มันทำให้เราเจ็บปวดนะ ไ, ไม่มันทาให้เราหมดแรงมะเปล่าแต่ความใจใม่สู้เนี่ยอมันทํำลายตัวเองซ้าําเติมตัวเองแต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะแล้วก็ใจใจสู้หรือเขาวางใจถูกเขามอกว่าเออโชคดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งวัตลูกเออเขาก็มีเรื่องมีแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สําคัญทั้งทีว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรอากาศร้อนแต่ใจใจสู้นะความร้อนก็ทําอะไรไม่ได้บางทีไม่ต้องสู้กับอากาศร้อนหรอกเค้งแค่ปรับใจเราให้ดีมีผู้งคนหนึ่งแกเล่าว่าบ่ายวันนะั้นเป็นบ่ายหลักเสานะร์กรุงเทพนะอากาศร้อนมากแดดแรงๆแบบเนี้ยอาจจะยิ่งกว่านี้ เธอเลยต้องมันมาหลบอยู่ในห้องแอร์แต่ขณะอยู่ห้องแอร์นั้นก็ยังสุดอ่ะนะก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วยิ่งไม่แฮปปี้มาขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกดกริ่งที่หน้าบ้านเพราะอะไรเพราะว่าถนาเพราะว่าบุรีพิสณีมาหาแกไม่อยากอกไปรับจดหมายก็เลยเงุ่นงิ่เพราะว่าออกไปรับจดหมายเนี้นก็ต้องออกไปจากบ้านออกไปจากห้องไปที่หน้าบ้านเนี่ยแดดแรง ไม่อยากไปส่วนบุรุรษไปเสนีเนี่ยเขารู้ว่าในในบ้านมีคนอยู่นะเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องปวามประกาศแล้วก็ในบ้านนี่ก็มีรถจอดอยู่แกก็เลยรอนะเป็นบุรุรษไปเสณีที่ทําหน้าที่ดีมากแล้วไม่ได้ร อ, บอเบาะแสนะแกก็ร้องเพลงขนาดแดงแรงๆเ ย, ยังยังร้องเพลงร้องเพลงลุกทุ่งร้องเพลงจนกระทั่ง เ้าของบ้านต้องอามารับเพราะรู้ว่าบุรุษเกษตรเนี่ยคงจะร้องไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าไม่มีคนมารับนะเพราะออกไปจากออกจากห้องแอร์ก็ร้อนไม่พอใจนะไปรับจดหมายเสร็จอารมณ์ก็มุนหงิดเล็กน้อยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยร้อนแบบนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอนะพูดแบบประชดแบบประชดหน่อยนะร้อนแบบนี้พูดกับบุรุษเกษตรว่าร้อนแบบนี้แล้วยังมีอารมณ์ร้องเพลงเหรอ มูประชพูดดีนะแกยิ้มทั้งที่เหนือนเนี่ยเต็มตัวเลยเต็มเสื้อเลยนะครับโลกร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงรู้ใจเย็นนะก็กลายเป็นว่าแม้อากาศร้อนแม้ตัวจะร้อนแม้แดดจะเผาแต่ว่าใจเนี่ยไม่ทุกข์ด้วยโลกร้อนแต่ใจเย็นนะแดดร้อนนะแต่ว่าใจเป็นสุขได้นะ ไม่ที่ใจนะและนี่ก็คือธรรมะอย่างหนึ่งธรรมะนี่ไม่ได้แปลว่าต้องออกมาจากพระไม่ได้แปลว่าต้องมาอยู่วัดนะ<ส>พวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยนะ<ม>ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะห่างธรรมะและยิ่งจำเป็นที่เราต้องมีธรรมะเอามาใช้เพราะว่าเราอยู่ไกลบ้านน ะ, นะแล้งานที่นี่ก็หนักใ่ไ บางคนก็อาจจะรู้สึกท้อแท้ว่าเนี่ยมาทำไมไม่น่าเลยแต่ถ้าเรามาองมุมหนึ่งนะเรามองว่า น, นี่เราโชคดีนะเพราะเราโชคดีที่มาถึงนี่นะเพราะว่าหลายคนอยากจะมาแบบเราแต่เขามาไม่ได้อันนี้พวกเราคงทราบดีนะบาคนที่สมัครที่จะมาทางานในอซิสราเอลเรื่องตัวหนัอ ก, กางนี่มีเยอะอาจจะมากกว่า ถ้าเทียบสัดส่วนนะอาจจะมากกว่าคนสอบเข้ามหาทลายนะคนสอบเข้ามหาทลายร้อยคนเขารับได้แค่สิบคนนะแต่ของเราเนี่ยคนสมัครที่จะมาทำนายเส เ, เี่ยนี่ร้อยคนอาจจะรับแค่หนึ่งคนและหนึ่งคนนั้นคือเรานะแลวเรา เ, เพราะนั้นเราคือผู้ที่โชคดีนั่นะพอเราคิดแบบนี้เนี่ยนะเราก็ไม่ควรทาให้โชคแบบนี้เนี่ยมันหลุดลอยหายไปหรือว่าเสียของเรามีโอกาสดี ที่คนอ่นเขไม่มีเราต้องใช้โอกาสนี้เกิดประโยชน์นะประโยชน์ที่ว่าคืออะไรก็ทํามาหาเงินนะเก็บสะสมเงินนะด้วยใจที่สู้ไม่ท้อถอยนะได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็รู้จักเก็อด อ, อมเก็บพ ร, ร้อมรองริคนะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะถ้าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะกินเที่ยวเล่นนะก็จะไม่มีเงินเหลือนะคนที่บ้านเนี่ยเขารอเรา เขาพึ่งพาก็พึ่งพาเรานะและเงินที่เราที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยก็สามารถจะช่วยเขาได้บางคนอาจจะครอบครัว จ, จะไม่ได้ลบากแต่ตัวเองลำบากนะพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีความลําบากที่บ้านนะก็คงไม่มาที่นี่ น, นะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่เมืองไทนสบายกว่าแต่เพราะความลําบากเช่นบางคนมีหนี้สินบางคนมีครอบครัวนะ ที่เขาขาดแคลนเงินทองเราก็เลยมาแล้วเราก็โชคดีที่ป่าได้ถ้าว่าเราเรามองว่านี่เออเราโชคดีนะแล้วเราก็พยายามใช้โชคนีใใ้ให้ให้เกิดประโยชน์นทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บออมรอมฤทกกินเที่ยวเล่นเท่าที่จําเป็นนะหรือกินกินนี่ยังดีนะเพราะกินเนี่ยนะ กระเพาะเรานี่มีจํากัดนะแต่ถ้าดื่มนี่ก็ไม่แน่นะดื่มนี่มันเพืองมากเลยแต่ถ้ากินเนี่ยนะกินเท่าที่มไม่เท่าไหรก่ก็อิ่มนะแต่ถ้าดื่มนี่โอ้มันอันนี้อีกเรื่องนึ่งลแล้วยิ่งเที่ยวเล่นเนี่ยมันเที่ยวนะและ้วเทีเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เล่นเล่ น, เ ล, นเล่นกีฬานะเล่นพนันเงี้ยโอนี่หนักเลยอาจมาเคยไปไปพบปะคนไทยในญี่ปุ่นนะ คนไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะจะว่าไปนี่ก็หาเงินได้ง่ายพวกเราเพราะหลายคนเนี่ยก็ทำงานทำงานเพื่อทำงานในแนแล็คนแล้วก็ได้เงินเนี่ยสมัยประมาณสิบสิบยี่ิบปีที่แล้วเนี่ยได้เงินง่ายแต่หลายคนเนี่ยไม่เหลือจ่ายเป็นหนี้เพราะอะไรกินเที่ยวเล่น ไอ้กินยังไม่เท่าไหร่เนละแต่ว่าเที่ยวเนี่ยนะหนักแล้วก็หนักกว่านั้นคือเล่นเล่นหวยเล่นการพนันนะไม่เหลือเลยการที่บางคนเนี่ยนะอยู่ได้แค่สามปีนะนอกจากจ่ายหนี้เป็นล้านเนยะเขามาเนี่ยมา ม, มาญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยจ่ายเป็นล้านนะแต่เขาเก็บนะเขาสะสมไว้เสามปีสี่ปีเขาได้เป็สิบล้านสิบล้านนะ พวกเราเนี่ยอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามนะเก็บพร้อมรมับผิดไว้เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะใช้จ่ายให้เท่าที่จำเป็นนะสิ่งที่เราสิ่งที่เงินที่เราได้เนี่ยมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่บ้านหรือช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาหรือว่าช่วยทําให้เราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้น แต่ว่าอย่างที่ธรรมาบอกนะเงินมันก็อันนึงนะเรามาทเรามาถ้าเรามามาถึงนี่เนี่ยเราได้เงินแต่ว่าทุกใจนะแม้มันดีกว่าการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยก็ตามนะแต่เราเลือกได้นะที่ว่าแม้เราได้ทั้งเงินด้วยแล้วก็ได้ทั้งความสุขใจด้วยนะไม่ใช่ว่า มาทำงานด้วยความยากลำบากที่ต้องทุกข์ใจเสมอไปนะลำบากก็จริงแต่ว่าลำบากแต่กายแต่ว่าใจเป็นสุขนะอาตมาคิดว่าเรามาทำงานทั้งทีเนี่ยนะนอกจากจ ะ, ะได้เงินได้ทองกลับไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรจะมีความสุขใจใช่วยหลอดลี้จิตใจให้เราทำงานได้หรือไม่ช่วยอย่างมีความสุขด้วยซึ่งทำได้ เช่นนะเรามองในแง่บวกนะว่าเออเราชั้นมาเนี่ยโชคดีนะและการที่เราถึงแม้งานเราลำบากนะแต่การที่เราลำบากข้องานมันก็แปลว่าเรามีงานทำระหว่างคนที่ทำงานระหว่างคนที่ลำบากข้องานกับคนที่ไม่มีงานทาเนี่ยอาตมาว่าเราคงเลือกข้อแรกเพราะคนที่ไม่มีงานทำนะมันดูสบายนะแต่มันสบายกายแต่ทุกใจ คนที่ไม่มีงานทำเนี่ยว่างงานเนี่ยกายมันสบายนะไม่เหนื่อยไม่ต้องไปเจอแดดนะแต่ถามว่าคนที่ว่างคนที่ไม่มีงานทํำนี่เขาจะเลือกไหมระหว่างไม่มีงานทําสบายกายแต่ว่าใจทุกหรือว่าเออมนเหนื่อยแต่ว่ามีงานเพราะงานเนี่ยมันไม่ได้างานเนี่มันหมายถึงอนาคตและมันหมายถึงความรู้สึกว่าเรามีคุณค่า การที่เรามีการทำเนี่ยมันมันเป็นโชคนะงั้นเวลาเราเหนื่อยเนี่ยให้เรามองในแง่บอกว่าเออยังดีนะที่อย่างน้อยมันก็แปลว่าเรามีงานทำนะดีกว่าคนที่ไม่มีงานทำแต่ถึงแม้ตก ง, งานนะถ้ามองให้เป็นมันก็ไม่ทุกนะมีบางคนเนี่ยช่วงสกวิกฤตเศรษฐกิจนะถูกเลยกออฟ ตกงานแต่เขาก็ไม่ทุกนะเขาก็มองว่าเออก็ดีนะจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมดูแลพ่อแม่สักทีนะเพราะว่าตอนที่ทํางานนะมีงานทําเนี่ยไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาไปดูแลพ่อแม่เลยตอนนี้ตกงานแล้วแท น, นที่จะจมทุกข์จมอยู่ในความทุกข์นะแท น, นที่จะตอมโตรุ่มใจนะคนฉลาดเนี่ยเขาเจออะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่ทุก ง, ง่ายแม่จะทุกข์กายแต่เขาไม่ทุกข์ใจ เขาต้องพยายามหามมเขาพยายามมองว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างเ้าก็มองว่าตกงานก็มีข้อดีนะมีเวลาทำให้มีเวลาไปดูแลพ่อแมนะ่ใจก็ไม่ทุกเนี่ยนะให้เราเนี่ยเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเจอความยากลาบากนะเราพยายามรักษาใจของเราไม่ให้ทุกให้มันทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกนะต้องฉลาดแบบนี้นะเงินหาย ก็มันหายแต่เงินแต่ว่าใจไม่หายความสุขไม่เสียไปนะเพราะถ้าเราพราะถ้าเราเพราะ่าเงินหายแลย้วใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดแต่ว่าเงินหายเงินหายนะสุดท้ายใจก็หายไปด้วยใจก็เสียไปด้วยพอใจเสียแล้วสุขภาพก็เสียเนะพราะบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับตากินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียหรือถึงกินได้นอนหลับ แต่ว่าใจเนี่ยไม่มีสมาธิทำงานงานก็เสียเพราะงุนงิดเพื่อนพูดเพื่อนมาหยอกแต่ก่อนก็หยอกได้หยอกกลับแต่ตอนนี้อารมณ์บมดจอยแล้วเขามาหยอกเราเราไม่มีอารมณ์เราก็ด่ากลับเสียเพื่อนอีกนะหรือบางทีโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่โทรศัพท์ไปหาแฟนด้วยความที่อารมณ์มงุนงิดเพราะว่าเสียเงินเพราะว่าเงินหายนะ หุดหงิดก็ปลายสายก็พูดไม่ถูกหูเราก็ว่าเขาด่าเขาบางกีด่าพ่อนะหรือว่าว่าแม่หรือว่ า, ว, า, ว, าว่าแฟนสมรนถภาพก็เสียอีกนะก็กลายเป็นว่าเสียเงินไม่พอนะก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมรรถภาพหรือเสียเพื่อนเราเลือกได้นะว่าเราจะเสียแค่งเงินหรือว่าจะจะเสีย ใจเสียงานเสียสุขภาพเสียเพื่อนเราเลือกได้นะเลือกได้ยังไงก็เช่นถ้าเรารู้จักปล่อยวางเออมันหายก็หายไปหาใหม่ปล่อยวางมันผ่านไปแล้วมันคืออดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะอะไรที่ยังมาไม่ถึงนะมีนี่ที่ต้องไปไปชําระ ต้องไปจัดการต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถนะแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้นะแต่มันเป็นเดือนหน้าปีหน้าบางคนก็กุ้มอกกุมใจแลนะหรือว่าทํางานนะอีกต้องหลายวันก่อนจะเสร็จก็ไปคิดอยู่นั่นแล้วว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้ก็ทุกนะอันนี้เราไปจดจ่ออยู่กับอนาค้าเที่ยงมาไม่ถึง เวลาเราไปตรวจอเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเราจะเครียดนะเราจะทุกข์นะแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเราจะวางใจอย่างไรนะหลวงพ่อพัตมาเนี่ยนะท่าไม่เคยบ่นเลยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเวลาลูกศิษย์มาเวลาลูกศิษย์มามีเวลาลูกศิษย์มีความทุกข์ป้อนเนี่ยมันไม่เสร็จสักทีท่านก็จะพูดว่าเนี่ยเสร็จต่อเมื่อมันเสร็จ บางคนเวลาเดินทางก็จะปวดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงท่านก็บอกว่ามันถึงต่อเมื่อมันถึงใช่ไหมงั้นเราจะมีงานก็ต้องทำนะทาสวนจะต้องมีต้นไม้อีกสามพันต้นที่ต้องไปจัดการนะบางคนนะก็ดูแลต้นไม้ให้หลายพันต้นเราก็จะเพิ่งไปสนใจว่าอีกกี่ต้นที่มันยังเหลืออยู่เราก็สนใจแต่ว่าต้นเนี้ยเราทำให้ดีที่สุดใจเราอยู่กับปัจจุบัน ภาษาพหวัจจยอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปไม่เอามาคิดอนาคตจะมาไม่ถึงผู้เจ้าตรบ่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงผูวงถึงสิ่งที่ยองมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ไปผ่านเลยไอย่าไปคิดด้วยความอะไรสิ่งที่มาไม่ถึงก็อย่าไปพูวงมันแต่ว่าไม่ได้แปลวว่าเราเนี่ยไม่ควรนึกนึกถึงอดีตนะบางทีเราก็ต้องนึกนะเพื่อ หาบทเรียนผ่านไปขึ้นปีใหม่เราก็ต้องย้อนกลับมาปีเก่าว่าเราทําอะไรดีบ้างเราทําอะไรที่ปิดพลาดที่ควรแก้ไขบ้างอันนี้ดีหรือจะขึ้นปีต่อไปเราจะวางแผนชีวิตย่างไรนะเราจะเราจะกินหรือเที่ยวเล่นให้น้อยลงเรามีการวางแผนการใช้เงินปีหน้าเดือนหน้าว่าเราจะใช้เท่าไหร่อันนี้ได้นะเป็นการ วางแผนสำหรับอนาคตถ้าใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยพระเจ้าส่งเสริมมองย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อทบทวนหาบทเรียนถ้าใช้สติใช้ปัญญาทำด้วยสติด้วยปัญญาเีดีแต่ถ้าทำด้วยความหลงไม่ดีนะเพราะพอเราพอเราไปหลงคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีสติเราก็เสียใจอาลัยพอเราไปนึกถึงอนาคตด้วยความหลงเราก็กุ้มอกุ้มใจเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จ แต่ถ้าเอาใจเราอยู่มาอยู่กับปัจจุบันนะทำอยู่ตรงนี้ใจงานอยู่ตรงนี้ก็สนใจเฉพาะตรงนี้พอเวลาลงมือทำนะเราสนใจเฉพาะงานที่กาลังทำอยู่ข้างหน้าอีกสิบชิ้นอีกร้อยชิ้นที่มันยังรออยู่เราไม่ต้องสนใจนะคุณจะพบเลยนะว่าใจนี่เบาลงความเครียด น, น้อยลงอันนี้เราอยู่กับปัจจุบันซึ่งทำได้และเราเลือกได้ คุณเลือกได้ว่าใจคุณจะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าจะไปอะไรถึงถึ ง, ถ ง, ถงอดีตหรือโผถึงอนาคตอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ใครเขาพูดอะไรใครเขาจะนินทาเราต่อว่าเรา ถ้าเราไม่สนใจเราทุกข์มนะเราทำไปไม่ได้ยินเนี่ยจะทุกข์มหลายคนทุกนะเวลาได้ยินคำต่อว่ า, าด่าทอแล้วก็ไปโทษว่าเขาทำให้เราทุกเราทุกเพราะเขาด่าเราจริงๆไม่ใช่นะเราทุกเพราะเราไปใส่ใจไปจดจ่ออยู่กับคำด่าของเขาบางทีเขาดา่าไอ้สิ่งที่เขาด่าเนี่ยมันผ่านไปแล้วต้องเป็นปีนะแต่ก็ยังไม่ก็ยังไปนึกถึงมัน แล้วอ่จะโทษใครเมื่อเราทุกข์นะแก้วที่แก้วรือแก้วแก้วแหลมเศษแก้วหรือว่าใบามีดเนี่ยใบมีดโกนเนี่นะมันอยู่ในมือเราเนี่ยสมมติอยู่อย่างเงี้ยเป็นอันตรายไหมนะตอเมื่อเรากํามันบีบมันนั่นแหละเราถึงจะเจ็บถึงจะมีเลือดไหลใช่ไหมแล้วถ้าเราเจ็บเราปวดเรามีเลือดไหลเนี่ยมีแผลเนี่ยถามว่า เป็นพ่ออะไรเป็นพร่อใครนะเป็นพ่อมีดเหรอมีดมันอยู่เฉยเฉยมันไม่ทําให้เราปวดแต่เราไปก ร, รมมันบีมันเอาไว้คําพูดที่เจ็บปวดคำพูดคดาําด่าหรือการกระทําในอดีตเนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์นะไม่ทําให้เราโกรธไม่ทําให้เราแคร์แต่พอเราไปตรวจจ่อไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนี่แหละเราถึงทุกข์ ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้นะถ้าถ้าเราเราไม่ยินยอมมีอาจารย์มีภาพฝรั่งรูปหนึ่งนะอาจารย์ชาสาัโรท่านพูดไว้ดีบอกว่ า, วาไม่มีอะไรหรือใครเนี่ยที่บังคับให้เราทุกใจได้มีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราโปรดเันจะสิ่งที่มาชวนให้เราไม่พอใจเมื่อเขามาเชิญเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะรับคาเชิญเขาหรือเปล่า ถ้าเราถ้าเรารับคำเชิญไปเราจะโทษใครนะเขาไม่ได้บังคับเราให้เราโกรธนะคนที่ด่าเราคนที่ดินทารา์เขาไม่ได้บังคับให้เราทุกนะแล้วก็สั่งให้เราทุกไม่ได้ถ้าเราไม่ไปสนใจคําพูดของเขาความทุกข์กายเนี่ยคนอื่นทําได้เช่นเขา ต่อย เ, เขาเอาไม้ฟาดแต่ความทุกข์ใจไม่มี ใ, ใครทำให้กับเราไดนะ้ไม่มีใครมาสั่งให้เราทุกข์ใจแต่ไม่มีใครมาสั่งให้เราโกรธไม่มีใครมาสั่งให้เราเกลียดไม่มีใครมาสั่งให้เราทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะดูแลจิตใจของเราให้ดีเพราะถ้าเราดูแลจิตใจไม่ดีเนี่ยเราก็จะไปเผลอเอาความเอาคาพูดของเขาเนี่ยมาทิ่มแทงใจเรา เราก็จะไปเผลอเอามีดมากรีดใจเรามีดนั้นคืออะไรมีดนั้นคือคําด่าว่าหรือเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านไปแล้วเราไปเอาเมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงมันก็เหมือนกับว่าเราเอามีดเนี่ยมากรีดใจเรามีดอยู่เฉยๆไม่ทําทอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปหยิบมันมากรีดเราและที่เราทํำนั้นเพราะอะไรเพราะเราเผลอเพราะเราไม่มีสตินะ คนเราทุกว่าไม่มีสตินะถึงคิดอะไรที่เป็นที่สร้างความเจ็บชั้นน้ำใจให้กับเรามันไม่ต่างจากคนที่ไฟไหม้เนี่ยแล้วก็รีกเข้าไปในบ้านเพื่อขนของขนอะไรแหละขนตู้เย็นขนโอหนักไหมหนักแต่ตอนข น, น, นไม่รู้ตัวนะแทนที่จะขนเพชรขนพลอยนะหรือว่าเอาชนบออกมานะขนตู้เย็นขนโอ นะเหนื่อยไหเหนื่อยแต่ไม่รู้ตัวนะมารู้ตัวตอนที่วิ่งหนีออกจากบ้านไกลแล้วปลอดภัยแล้ ว, ลวถึงค่อยมารู้เฮ้ยแบกมันมาตูาต้เย็นนะพอรู้ว่าแบกตู้เย็นนะั้มันปล่อยเลยความทุกข์ใจเป็นเพราะแบบนี้นะความทุกข์ใจมันเกิดจากเรื่องนี้มนะีมีมีนตำรวจรูปคนนึงนะ ประมาณตั40ปีที่แล้วเป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์มากวันนึงก็ไปปรึกษาไปปรับทุกกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาสมบัปปโทท่านอยู่บนนะท่านมรณภาพไปได้20ปีแล้วไปปรับทุกเรื่องอะไรปรับทุกเรื่องว่าชีวิตเนี่ยนะคือประุกเรื่องงานคือแกเป็นคนซื่อสัตย์แต่ว่าเจ้านายเนี่ยไม่ไม่เป็นธรรมเจ้านายกันแกล้ง เงินเดือนแกก็ไม่ขึ้นตำแหน่งแกก็ไม่ไปนะไม่เลื่อนเพื่อนร่วมงานก็แขงข้างหลังคอยเลื่อยขาเก้าอี้นะเพราะว่าแกไม่กินตามน้ําเป็นแกดําที่จริงเป็นแกขาวนะเป็นแกขาวทําการแกดํา <c oughs> ก็โบนโบนโ บ, บนให้อาจารย์หลวงพ่อชาฟังหลวงพ่อทั้งก็ฟังนะ แล้วก็บนนานประมาณครึ่งชั่วโมงได้บนเสร็จหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้แนะนําอะไรนะแต่ท่านท่านก็ชี้ไปที่หินก้อนหนึ่งที่หน้าที่อยู่ศาลาหน้ากุฏิท่านเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับเออไม่ไหวก็จะไปแบกมันพอพูดเท่านี้เนี่ยนายตุวยท่านนั้นเนี่ยได้สติเลยนะได้สติว่าอะไร ว่าทุกข์เพราะไปแบกก้อนหินเนี่ยมันเฉยเฉยเนี่ยถ้าไม่ไปแบกมันก็ไม่ทุกข์เหมือนกับปัญหาเนี่ยมีแต่ไม่แบกนี่ทุกข์ไหมมีปัญหาไม่ไแปลว่ต้องทุกข์ใจนะต่อเมื่อเราไปแบกปัญหามันถึงจะทุกข์ใจเคยได้ยินไรับว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มะนะมีปัญหาก็แก้ไปชีวิตเรานี่มันไอ้คำว่า ไ, ไม่มีปัญหานี่ยากนะ แต่มีแต่ไม่ทุกได้เพราะเราไม่ไปแบกมันแล้วถามว่าใครสั่งให้เราไปแบกไม่มีใครสั่งเราทำเองแล้วทำเพราะอะไรเพราะหลงเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติเนี่ยมันวางเองเลยนะอย่างในตุลกคนนี้พอหลวงพ่อชาพูดมีสติขึ้นมาแก่วางเลยนะปัญหามีแต่ไม่กลุ้มละเป็นเรื่องที่ต้องแก้แก้แก้ได้ ก็โอเคแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีพรสิทธิ์ที่แบรดึงพูดไว้ดีนะบอกว่าถ้าเมื่อมีปัญหาเนี่ยจะกลุ้มไปทำไมนะถ้าปัญหาแก้ได้จะกลุ้มไปทำไมใช่ไหมฮะแต่ถ้าแก้ไม่ได้มีเปียว อ, อะไรที่จะกลุ้มนะถ้าแก้ไม่ได้เนี่ย ยิ่งเราไม่เรากลุ่มใจก็ยิ่งไม่มีประโยชน์ยิ่งเป็นโทษอันนี้เป็นเรื่องการวางใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเราอยู่อยู่ที่เนี่ยปัญหาเราเยอะนะแต่ที่ไหนที่ไหนก็มีปัญหาอยู่เมืองททยก็มีปัญหาแต่ที่ว่าเราจะวางใจอย่างไรถ้าระาวาังใจเป็นเราก็ไม่ทุกข์ใจปัญหามีก็แก้ไปนะแต่ใจไม่ทุกข์เราธรรมาก็ใช้เราพอสมควรนะก็ หวังว่าคงจะให้แค่ให้ก็ให้งคิดหรือข้อคิดกับพวกเรานะในการที่อยู่ประเทศสซเรลได้อย่างมีความสุขนะแม้ว่างานจะหนักหรือว่าแดดจะร้อนนะแต่ว่าใจก็เย็นแล้วก็เป็นสุขได้และก็ขอยุติการบรรยายถึงเท่านี้นะจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะจะพรอมนักมวทพวกเรานะ่ ด้วความเนสริมงคลเอาเชิญมาได้เลย